สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่29นะครับภายใต้หัวข้อย่อยก็คือพระเยซูเผชิญกับการทดลองนะครับครั้งที่หกครับการทดลองครั้งที่หกนั้นเป็น the last of i นะครับก็คือเป็นการทดลองเป็นการล่อลวงนะครับตั้นหาของตาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการทดลองด้านด้านเกียรติยศนะครับด้านศักดศรีด้านพระราชอำนาจ ในพระธรรมมัทธิวบทที่สี่ข้อที่แปดนะครับกล่าวว่ามารจึงพาพระเยซูมายังภูเขาสูงเพื่อแสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านั้นให้ทรงทอดพระเนตรและเสนอยกสิ่งเหล่านี้ให้หากพระองค์ทรงกราบลงน้ำมสการซาตานเพียงครับในข้อที่สิบนะครับมัทธิวบันทึก ว, ว่าพระเยซูตัด ก, กับซาตานอย่างเฉียบขาดเลยครับบอกว่าอซาตานจงไปเสียให้พ้น เพราะพระกัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและอุิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวพี่น้องครับพระเจนัของพระเจ้าตอนนี้สําคัญมากนะครับมารซาตานมันใช้กลยุทธ์สุดสุดของมันแล้วในการที่จะล่อลวงพระเยซูและพระเยซูนั้นเผชิญกับการทดลองการล่อลวงของมันอย่างมีชัยชนะครับมารซาตานมันพยายามหลอกล่อพระเยซูให้เปลี่ยนกําหนดเวลาของพระองค์ แท้จริงแล้วนะครับพระเยซูทรงทราบนะครับว่ายังไม่ถึงเวลาของพระองค์ครับเพราะว่าอีกสามปีครับเวลาของพระองค์นั้นถูกกําหนดจากพระเจ้าไว้แล้วนะครับก็คือบนไม้กางเขนนั่นเองนะครับและในเวลาเดียวกันมันก็พยายามที่ให้พระเยซูเปลี่ยนรูปแบบงานของพระองค์นะครับกําหนดเวลาของพระเยซูอีกสองสามปีข้างหน้านะครับรูปแบบงานของพระองค์ก็คือต้องวายพระชนหรือสิ้นพระชนบนไม้กางเขนครับผู้เผยวิะชากล่าวว่าพระเยซูจะเสด็จมาและครอบครองโลกนี้ นะครับซาตานมันรู้ครับว่าพระเยซูในที่สุดแล้วจะครอบครองโลกนี้แต่ไม่ใช่เป็นครั้งนี้ของการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูมาบังเกิดที่เบเลเฮมนะครับแต่เป็นการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูอย่างมีสง่าราศีนะครับก็คือพระเยซูจะเสด็จมาลงมาจากฟ้าสวรรค์เหมือนกับที่พวกสาวกในสมัยนั้นได้เห็นพระเยซูเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์อย่างไรพระเยซูจะลอยลงมาจากสวรรค์เช่นเดียวกันในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูครับซาตาน มันจึงพยายามที่จะเสนอให้อำนาจนะครับที่จะได้โลกนี้ทั้งใบให้กับพระเยซูถามว่าซาตานมีอำนาจที่ยกไหมนะครับพระเจ้าอนุญาตให้ท่นเนมีครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็คือก่อนที่มันจะถูกพิพากษาลงโทษและโยนไปในบึงไฟนรกนะครับมันรู้ครับว่าพระเยซูจะเสด็จม า, ราครอบครองโลกนี้ซาตานมันก็รู้ว่ามันมีอำนาจที่ยกโลกนี้ให้เพียงแต่ขอพระเยซู ครับขอพระเยซูเสนอพระเยซูว่าให้ก้มกราบลงนมัสการมันโอ้นี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หนักหนาสาหัสมากที่สุดครับก็คือมันเกิดการรีเวิร์สนะครับแทนที่มารซาตานนั้นมันจะก้มกราบนมัสการพระเยซูแต่มันสั่งให้พระเยซูก้มกราบทนมัสการมันพี่น้องครับพระเยซูทรงทราบว่าหนทางที่พระเยซูจะชนะโลกนี้นะครับก็คือทางแห่งไม่เางเขนครับทางแห่งความทุกข์ยากลาบาก พระเยซูต้องสิ้นพระชนเพราะความผิดบาปของโลกความรอดจริงบังเกิดขึ้นกับเราได้และนี่เป็นผลทางของพระเยซูและกำหนดเวลาของพระเยซูพี่น้องครับในวันนี้นะครับเรามีบทเรียนต่างๆมากมายนะครับในการทดลองทั้งที่สามของพระเยซูนะครับก็คือเรารู้ว่าบทเรียนประการแรกนะครับมารซาตานนั้นมันชอบเล่นจับตำแหน่งเบอร์หนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ตำแหน่งเบอร์หนึ่งหรือตัวตำแหน่งเองซึ่งเป็นที่เย้ายวนลอดใจบรรดา คนทั้งหลายพี่น้องครับมันล่อลวงโดยใช้เกียรติยศนะครับมาล่อลวงเรานะครับเอาตําแหน่งเบอร์หนึ่งมาล่อลวงเราเอาตําแหน่งผู้นําสูงสุดมาล่อลวงเราพี่น้องครับเราทั้งหลายจะต้องหัดนะครับต้องฝึกฝนที่จะเป็นเซคเกอ์แมนครับเซคเกอร์แมนก็คือว่าเป็นบุคคลที่สองบุคคลที่สามบุคคลที่สี่นะครับเป็นคนที่รับใช้พระเจ้านะครับโดยไม่ได้หวังเกียรติยศชื่อเสียงครับเราไม่ต้องให้เกิดท่านคะท่านขานะครับ ที่จะมาล่อลวงเราและเป็นตําแหน่งที่เย้ายวนครับคนที่เป็นเซ็กแคนแมนนั้นกัเป็นคนที่ปิดทองหลังกังเขนครับเป็นคนที่ปิดทองหลังดังเขนนะครับประการบทเรียนประการที่สองครับพระเยซูนะครับถูกมารซาตานนั้นอัญเชิญไปที่ไหนครับไปที่ท็อปออฟเดอะเมล์เทนไปที่หลังคาของโลกเลยนะครับไม่ใช่หลังคาของพระวิหารแล้วที่นี้ก็คือเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของโลกแล้วนะครับ เพื่อที่อหลรครับเพื่อที่จะได้เห็นทั้งโลกเพื่อที่จะประเทนหรือออฟเฟอร์หรือสัญญาว่าจะให้ทั้งโลกนะครับปีนองครับตรงนี้เราเปรียบเทียบนะครับครั้งที่สองพระเยซูถูกนําไปที่หลังคาพระวิหารก็เห็นแค่อยู่ครับนะครับแต่ครั้งนี้มาถึงหลังคาของโลกเลยก็เห็นทั้งโลกครับนะครับมารซาตานนั้นเป็นเจ้าโลกอยู่นะครับมันสามารถที่จะไปไ ป, ไ ป, ไปมาระหว่างสวรรค์กับโลกนะครับในยุคพระธรรมโยกครับนะครับเพราะมันได้รับอนุญาตให้ให้ ไปล่อลวงบรรดาธรรมิกชนทั้งหลายนะครับไปล่อลวงคนที่เห็นโลกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเสมือนเจ้าโลกครับบทเรียนประการต่อไปก็คือว่าเป้าหมายสูงสุดของมารซาตานนั้นมันพยายามที่จะอะเป็นเหมือนพระเจ้านะครับอยากเป็นพระเจ้าใชเองและคําว่าเป็นเหมือนพระเจ้านะครับ to be like God นะครับ to be like God แปลว่าเป็นอยากเป็นพระเจ้าเหมือนพระเจ้านะครับมันก็เป็นอุบายนะครับ ตอนที่มันเป็นพญานาคหรือเป็นงูดิบจำบันที่ล่อลวงเอวานะครับกับล่อลวงอาดัมนะครับมันพูดกับเอวาว่าเจ้าจะเหมือนพระเจ้านะครับคือรู้ดีรู้ชั่วเหมือนพระเจ้านะครับพระเจ้าของเราเป็นยังไงบ้างครับพลักษณะของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงมั่งคั่งไปด้วยหรือเต็มไปด้วยสง่าราศีใช่ไหมครับพระองค์ทรงเต็มไปด้วยพระสิริพระชํานาตและฤทธานุภาพพี่น้องครับฤทธานุภาพที่พระเยซู นะครับจะได้ไม่ใช่มาจากมารซาตานครับในมันทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20บอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีมอบไว้กับเราแล้วใครเป็นผู้มอบครับไม่ใช่มารซาตานครับแต่พระเจ้าพระบิดาเป็นผู้มอบครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามารซาตานนั้นมันมักจะสัญญาว่าจะให้หรือจะให้สิ่ ง, งต่างกับเรามันประเคนให้กับเราเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงนะครับ recognition ก็คือการเป็นที่รู้จัก การเป็นที่นับถือการเป็นที่ยกย่องเกียรติยศนะครับเหมือนกับที่ผมพูดไว้คือเดินมีเดินแล้วมีคนเดินตามหลังครับมีคนที่แบบว่าท่านขาท่านขาพยายามเอาใจนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับที่มารซาตานมันมักจะประเกณฑ์ให้กับเราพี่น้องครับเราจะรับใช้พระเจ้าและรับใช้เงินทองพร้อมกันไม่ได้ครับเพราะเงินทองมันจะกลายเป็นพระเจ้าแทนนะครับเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลายนั้นมันจะทําให้เราขายความเป็นที่ตรยงของเราครับนะครับ ขายตัวของเราเองครับขายวิญญาณของเราเองครับและทําให้เราทิ้งอินเทอร์กิก็คือความซื่อสัตย์นะครับการเป็นที่ไว้วางใจได้เกียรติยศที่ได้มาจากการซื่อสัตย์การตรงไปตรงมาหายไปครับถ้าเราเอาเงินทองมาและบางคนนะครับทิ้งอินเทอร์กไม่พอทิ้งแฟมิลีด้วยนะครับ Jerry, ทิ้งจริยธรรมทิ้งเพื่อนนะครับทิ้ง <Think S 1> พระเจ้าเพื่อที่จะได้มาซึ่งเงินทองไหนที่สุดพี่น้องครับเพราะเจของพระเจ้าในอพยโยตที่ยี่สิบข้อสามนะครับบอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเราเลย เดียงกับเราจะต้องรับใช้พระเจ้าเราต้องนับศการพระเจ้าแต่พระองค์เดียวเราจะต้องปฏิเสธการนําเสนอเอฟเวอริตตินะครับไม่ใช่อนนิตติ้นะครับเอฟเวอริตตด้วยความเชื่อและความมั่นใจจากโภชนะของพระเจ้าและมีชัยชนะเหนือการเย้าวยวนของตําแหน่งเบอร์หนึงนะครับเกียรติยศของทุกอย่างในโลกนี้เราจะต้องพูดเหมือนกับที่เบียชูได้สัตว์กับมารซาตานไอ้ซาตานจงไปเสียผลเพราะพระกัมพีมีเขียนไว้ว่าจงกราบนับศการพระเจ้าพระองค์แต่ผู้เดียวปฏิบัติรับใช้พระองค์ แต่ผู้เดียวผู้เป็นพระเจ้าของท่านอาเมน